บัตรนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปปัญหาที่โธตกะมานกกราบทูลถามพระพุทธเจ้าในตอนตอน้นถึงข้อปฏิบัติที่จะนำท่านให้หลุดพ้นจากความทุกข์พระบุมีพระภาคเจ้าก็ทรงชี้หลักปฏิบัติที่สำคัญ3ประการ คือมีความเพียรพยายามมีสติมีสัมปชัญญะในธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือในสติปัฏฐานทั้งสีประกนันจะทำให้ผู้ปฏิบัติหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในตอนต่อไปท่านกราบทูลถามถึงว่าท่านเองนั้นยังมีความเคลือบแคลงสงสัยในสิ่งต่างๆอยู่ จ, จิตใจยังไม่ตั้งมั่นในธรรมและในอารมณ์ต่งตางๆก็ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดทรงแส ด, แดงธรรมเป็นเครื่องกระจัดความเครือบแคลงสงสัยให้แก่ท่านเพื่อท่านสามารถกระจัดความเครือบแคลงสงสัยได้แล้วจะทําที่สุดแห่งทุกข์เพื่อตนได้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดแสดงให้เห็นว่าพระองค์องเองไม่สามารถที่จะช่วยใครก็ตาม ยังมีความเคลือบแรลงสงสัยอยู่ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เหมือนกับไม่สามารถที่จะทำให้คนจึงสกปรกแปดเปื้อนอยู่มีความสะอาดขึ้นมาได้แต่ไในที่สุดก็ทรงแสดงหลกักการปฏิบัติเพื่อกระจัดความเคลือบแรลงสงสัยออกไปจากจิตใจ โดยให้อาศัยปัญญาเป็นเครื่องพินิษฐ์พจารณาสิ่งต่างๆให้เห็นทั้งสามช่วงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเหนว่ามองที่เวทนาก็เห็นเวทนาทั้งสามช่วงมองเห็นธรรมะก็เห็นธรรมะทั้งสามช่วงมองเห็นการก็เห็นการทั้งสามช่วงเป็นต้นและในที่สุดก็จะกระจัดความเคลือบแคลงสงสัยออกไปได้ คำถามและพระพุทธดำรดัสที่ได้ทรงแสดงในที่นี้ก็มีข้อที่กวนพิจารณาแลาเป็นหลักการปฏิบัติสากลสําหรับผู้ต้องการผลเช่นนั้นทุกยุคทุกสมัยเรื่องของความคลึอบแคลงสงสัยเป็นเรื่องของโมคือความหลงระดับหนึ่งเดี่ยวมาเป็นรูปของวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจ บางครั้งท่านก็เรียกว่ากังขาแต่ในบาลีตอนนี้ทัญนใช้คำว่ากระถังกระถีคือยังต้องสับสนไปด้วยท้อยคำด้วยวาระของบุคคลอื่นอยู่ไม่สามารถที่จะตั้งศรัทธาให้มั่นคงในธรรมอันพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไวไ้แล้วเรื่องของความสงสัยเกิดขึ้นมาจากการขาดปัญญาเป็นเครื่องปีนิดพิจา เหตุจนวน ม, มาลีท่นใช้คำว่าอญญโยนิโสปนัสิการคือได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สุดดมได้ลิ้มได้ถูกต้องสิ่งอะไรมา ก, ก็ตามบุคคลเหล่านั้นไม่ได้เอาปัญญาเข้าไปจับพินิจวิเคราะห์ในเรื่องนั้นๆให้ถ่องแท้ในสุดเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ให้เกิดความสงสัยขึ้นในชั้นต่างๆในชั้นหยาบยาบก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร ในชั้นต่อไปก็ไม่รู้ประโยชน์หรือโทษที่ตนจะได้จากสิ่งนั้นในชั้นต่อไปไม่รู้ที่ไปที่มาของสิ่งเหล่านั้นชั้นเลึกขึ้นไปกว่านั้นคือไม่รู้เหตุปัจจัยที่ประกอบการเข้าเป็นสิ่งเหล่านั้นเพร่อการที่จะขะจัดความสงสัยออกไปจากจิตใจของบุคคลได้บุคคลก็ต้องมองให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร เห็นว่าเวลามีอารมณ์ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของตนจะเป็นคนสัตว์สิ่งของนรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นก็ตามบุคคลจะต้องเข้าใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรหรือว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรและจะต้องพยายามสืบสาวถึงที่ไปที่มาของสิ่งเหล่านั้นให้ได้สิ่งนี้มาจากไหน รู้แหล่งเป็นที่มาของสิ่งเหล่า น, นั้นก็จะต้องแยกแยะให้เห็นโดยความเป็นคุณเป็นโทษลักษณะของการแยกแยะที่ท่านใช้คำว่าในประกาศปัญญาคือมีปัญญารักษาตนคุ้มครองตนได้ไม่ว่าเรื่องอะไรที่ผ่านมานั้นเมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาพินิจวิเคราะห์แยกแยะออกไปแล้วก็จะสามารถแยกออกไปเป็นฝ่ายควายคือเป็นบา ป, ปูนคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็ให้ศึกษาถึงความเป็นมาของสิ่งเหล่านั้นในการทั้งหลายจะยกตัวอย่างว่าเมื่อบุคคลกาลังประสบเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือการสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในปัจจุบันก็ต้องมองให้เห็นอีกเวทนาสองประการซึ่งไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นเช่นยามใดที่บุคคลกาลังเสวยสุ ข, ขเวทนาอยู่ ในขณะนั้นทุกขเวทนากับไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนาก็ไม่ปรากฏตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าขณะนั้นเวลานั้นเหตุปัจจัยของสุขเวทนาปรากฏจู่สุขเวทนาจึงเกิดขึ้นแล้วก็ดำรงอยู่ได้ในขณะเดียวกันแกก็เปลี่ยนแปลงไปในตัวของแก่อาญามใดที่เหตุปัจจัยเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเวทนาเราอื่นก็จะเกิดขึ้นก็มองเห็นว่า เมตนานั้นโดยสภาพแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือใจที่ไปกําหนดอารมณ์เหล่านั้นจะกําหนดให้เป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้กําหนดให้เฉยๆก็ได้แม้ในอารมณ์เดียวกันแต่ว่าเป็นการกําหนดกันคนละขณะเพราะว่าขณะนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆ แล ใ, ในขณะเดียวกันก็มองย้อนกลับไปสู่เวทนาที่เกิดขึ้นแก่ตนในอดีตซึ่งก็อยู่ในลักษณะเช่นเดียวกั น, นเวทนาเหล่านั้นก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเป็นคุณก็มีเป็นโทษก็มีให้สุขให้ทุกข์ก็มีขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดเวทนาเหล่านั้นเวทนาที่ผ่านมาแล้วในอดีตก็ชื่อว่าเวทนาที่ ได้แตกลับไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาอีกได้เวทนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็เป็นเรื่องของเวทนาในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือว่ากลางๆคือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามแล้วก็จริงแล้วก็สักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นบุคคลอาศัยบทเรียนจากเวทนาในปัจจุบันกับเวทนาในอดีตก็ทำให้มอง เห็นโครงสร้างของเวทนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นในขณะนี้ในวันนี้แต่ว่าต่อไปต่อไปก็จะเกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันคือจะสายเหตุปัจจัยต่างๆจะเกิดขึ้นใจคนไปกำหนดไปยอมรับเอาอย่า น, น, านี้ปรุงคิดคิดปรุงไปก็จะเกิดเป็นความสุขความทุกข์ได้ตามสมควรแก่การปรุงของจิต แต่เวทนาในอนาคตแม้จะมีดีวิเศษอย่างไงก็ตามแล้จริงแล้วก็เพียงเพียงแต่สักดิาเวทนาเท่านั้นไม่มีอะไรที่พอจะยึดถือเอาอย่างเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นต้นในสุดก็จะมองเห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันของเวทนาทั้ง3การโบเดนนั้นเป็นการเรียนจากเวทนาในตอนต้น ในขณะที่ปรากฏตู่ในที่นั้นในโอกาสนั้นๆแต่สาการเรียนรู้เวทนาที่ปรากฏนั้นก็เชื่อมเข้าหาอดีตที่จริงอดีตก็อยู่ในความทรงจําอยู่แล้วโครงสร้างของเวทนาก็ดีผลของเวทนาก็ดีลักษณะของเวทนาก็ดีเป็นสิ่งบุกคนเก็บไว้ในใจด้วยความทรงจําแล้วการวิเคราะห์วินิจฉัยเทียบเคียงก็ไม่จะเป็นการยากเกย็นอะไรแต่เวทนาในอนาคตนั้นยังไม่ปรากฏแม้แต่เหตุปัจจัย บุคคลจะเข้าใจเวทนาในอนาคตได้ก็ต้องอาศัยความเข้าใจเวทนาในปัจจุบันโดยอาศัยบทเรียนจากเวทนาในอดีตก็จะปล่อยวางได้แม้เวทนาในอนาคตแต่ซึ่งการพินิจพิจารณาโดยในยะนี้จะเป็นพิจารณาในจุดใดก็ตามบุคคลได้กำหนดได้เพ่งพินิจได้พิจารณาลึกลงไปเท่าไหร่ ก็จะคลายความสงสัยในจุดนั้นๆได้พิจารณาในลําดับแรกก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพิจารณาในลําดับที่2ก็จะรู้ได้ว่าสิ่งนั้นมาจากไหนพิจารณาลาดับที่3ก็จะรู้ถึงความเป็นคุณเป็นโทษของสิ่งนั้นนั้นและซึ่งความเป็นคุณเป็นโทษ ข, ของสิ่งนั้นๆก็มีได้หลายชนิ ชันแรกนั้นคือเป็นคุณเป็นโทษโดยสภาพของมันเป็นคุณเป็นโทษอยู่แล้วแต่ชั้นต่อมาถ้าหากว่บุคคลมีปัญญาเฉลียวฉลาดก็สามารถลดในความเป็นโทษลงไปแล้วก็หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ในชั้นที่สามนั้นบุคคลสามารถใช้ทั้งสิ่งที่เป็นคุณและสิ่งที่เป็นโทษให้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาได้อันนี้ขึ้นอยู่กับ อื้นฐานทางสติปัญญาของบุคคลผู้นั้นว่าสามารถจะหยิบฉวยเอาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้มากน้อยแก่ไหนเพียงใดก่อนนี้จะพบว่าบุคคลผู้ฉลาดบางคนนั้นสามารถที่จะเอาสิ่งต่างๆที่เราเรียกว่าวัสดุหรือใช้มาปรับใช้มากระทาโดยในยะอื่นเพื่อประโยชน์ในระดับอื่น จนไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเหลือใช้พระาะแบบใช้เปลี่ยนใช้ไปได้ตามสมควรแก่สถานะของสิ่งเหล่านั้นนั้นก็คือพูดฉลาดในประโยชน์และแม้แต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นำสิ่งแม้ที่มันเป็นประโยชน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เซึ่งป้ า, าก็านำคุณสมบัติเหล่านี้เข้าไปเพืนอพิจารณาสิ่งต่างๆดังกล่าวแล้ว บุคคลก็จะหยิบช่วยเอาประโยชน์จากธรรมะได้ทั้งสองอย่างทั้งสอย่างคือทั้งส่วนที่ไม่ดีด้วยตัวของมันเองส่วนที่กลางๆแล้วก็ส่วนที่ดีๆแม้ในส่วนที่ไม่ดีนั้นก็อาจจะลดความไม่ดีลงไปแล้วก็ตัดตัวกัผลประโยชน์ได้ันดับหนึ่งจนถึงกับใช้ประโยชน์จากสิ่งไม่ดีนั่นเองแต่เป็นการมองในอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึง่งเพราะความเป็นผู้มีสติปัญญา เป็นหลักในการพิจารณาอยู่มากหลักของโยนิโสมนัสิการที่บุคคลจะต้องใช้ไปในกรณีที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เรื่องราวบุคคลเหตุการณ์สภาพของจิตความคิดในแต่ละขณะที่บังเกิดขึ้นนั้นเป็นปัจจุบันเพราะพระูุมีพระภาทเจ้าจึงเน้นไว้ที่โยนิโสมนสิการตำไมาจึงเน้นโยนิ โ, ยนโสมนัสิการในการกระทําไว้ในใจด้วยวิบันแยกข่ายมีเหตุมีผล ระบบของความคิดจะจะคิดเรื่องอะไรก็อาศัยโครงสร้างองค์ประกอบความคิดในเรื่องดอกนั้นเช่นคิดเรื่องธรรมะในทางศาสนาก็ต้องอาศัยองค์ประกอบทางธรรมะองค์ประกอบทางศาสนาข้อมูลในด้านต่างๆก็ต้องอิงอาศัยพระรัตนาใจไม่ใช่เอาวิทยาการต่างๆที่ตนศึกษาเราเรียนมามาวิเคราะห์ตรวจสอบพิสูจน์เรื่องของธรรมะ นองเดียวกับบุคคลต้องการจะดูเชื้อเวลาต่างๆโดยกล้องตุลทศร์ฉะนั้นถ้าหากว่าโยนิโสมนติการที่ใช้ไปโดวยวิธีที่แยบขคยบุคคลก็สามารถกระจัดหรืออย่างน้อยก็บรรเทาความเคลือบแคลงสงสัยต่างๆลงไปได้ด้านที่ได้กล่าวมาแล้วว่าวิจิกิจานันเป็นกิเลสประเภทนิบรณ์เป็นอาการอย่างหนึ่งของอาการยานุของอภิชา ปรากฏรูปออกมาเป็นนิพพานอวิชชาจึงเป็นต้นข้าวของความเคลือ่อนแผงสงสัยประเภทของอวิชชาที่ทรงแสดงเอาไว้นั้นส ร, รสรุปรวมเป็นความไม่รู้ในเรื่องแปดระการด้วยกันคือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้เพราะปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุกข์ ไม่รู้การที่เป็นอดีตไม่รู้การที่เป็นนาคตไม่รู้ทั้งการที่เป็นอดีตและนาคตไม่รู้ในกฎของปัจจจการ d, หรือปฏิจจสมุปะอาจเป็นกฎของเหตุผลตามสูตรบางครั้งบางคราวทรงใช้คาว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับโดยมองเห็นสิ่งทั้งหลาย มีการไหลหนุนเรื่องกันมาเป็นกระบวนการความมีของสิ่งเหล่านั้นก็ต้องเพราะอาศัยความมีของสิ่งอื่นที่สืบต่อกันไปคล้ายๆกับความมีฝนก็ต้องอาศัยเมฆความมีเมฆก็ต้องอาศัยไอ้น้ำความมีไอ้น้ําก็ต้องอาศัยแม่น้ําความมีแม่น้ําก็ต้องอาศัยฝนความมีฝนก็ต้องอาศัยเมฆมันก็หมุนกันอยู่อย่างนี้นั่นเป็นลักษณะของวงจรของสิ่งทั้งหลาย ชีวิตของบุคคลเราก็มีลักษณะเช่นนั้นดังนั้นบางอย่า ง, งบางคราวจึงทรงใช้คำว่าปฏจเจ้าการเพื่อการที่หนุนเนื่องกันไปตามเหตุตามปัจจัยไอ้ความมาตํเหนิปัจจัยเหล่านี้มีแล้วทุกอื่นก็ต้องมีตามไปด้วยแต่ถ้าไม่มีอย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดคือไม่มีตามไปตามปกติแล้วก็เป็นเรื่องที่บุคคลจะเจาะได้ลึกจริงๆก็ต้องอาศัยการสรัจโร แต่นนจากใดที่ปัญญาของบุคคลยังไม่อยู่ในจุดที่ใช้งานได้ซึ่งทรงใช้คำวมาเนปะกะคือปัญญารักษาตนได้อาการของโมหะซึ่งทรงกันข้ามกับปัญญาก็จะครอบงาใจของบุคคลอยู่ได้เสมอไปมันจะครอบงาได้นานได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆทั้งที่เป็นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นและองค์ประกอบจากภายนอกองค์ประกอบที่เป็นภายในนั้นก็คือพื้นฐานทางปัญญาและโมหะ พอมีปัญญามากหรือมีโมหะมากถ้ามีปัญญามากเดียวกับไรถนองเดียวกับน้ําซึ่งอาจจะสกปรกแต่ถ้าปลองกันก่อนน้ําที่ลงเข้าไปในผัดจะน่ใหม่ก็จะกลายเป็นน้ําท <m useum> ี่สะอาดขึ้นแต่พอดีไปเจอสารที่ขจัดความสกปรกซึ่งมีอยู่ในภายในก็จะขจัดไอ้สิ่งจึ่ง ยังมีความสกปรกอยู่ด้านให้สะอาดปากกิ่งเข็ญปั้นคุณภาพภายในใจของบุคคลจึงกลายเป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญทั้งด้านบวกและด้านลบแต่ในขณะเดียวกันปัจจัยจากภายนอกก็เป็นตัวแปรที่ออกจะสําคัญเหมือนกันก็ถ้าหากว่าปัญญาท่านอยู่ในระดับสามัญชนทั่วไปแม้ปัญญาจะมากยังไงก็ตามถ้าเป็นระดับสามัญชนแต่ก็ไปเจอกับสิ่งที่ บุคคลจะเป็นจะต้องเข้าถึงด้วยญาณปัญญาที่จะต้องผ่านการพินิจพิจารณาผ่านการประพฤติปฏิบัติผ่านความสงบมาจนรู้ธรรมปัญญาระดับโลกิยาก็ยังไม่ถึงเหมือนกันต้นความเครือบแคลงสงสัยในจุดที่ก็มีได้ความเครือบแครงสงสัยจึงเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลทั้งหลายได้ทั่วๆไปจนถึงเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ในกรนีจะพบว่าแม้เป็นพระบุคคระดับโสดาบันแล้วไม่ได้หมายความว่าท่านจะขจัดกิเลสได้หมดสิน้นกิเลสประเภทโมห oh ะได้หมดสิน้นโมห oh ะ <plate. S 2> ที่ระเบิดละไ ม, มยลงไปก็ยังมีอยู่ภายในใจิตใจของท่านตอนนั้นหลักของวิจิกิจฉาจึงมักปรากฏตัวออกมาแล้วก็แสดงเห็นชัดโดยเฉพาะพุทธบริษัทที่ปฏิญาณตนยอมรับนำตืออปรตนไตเป็นที่พึ่งศรริรลึก แต่ก็มีการวิเคราะห์ตรวจสอบใจตนเองก็จะพบความจริงว่าศรัทธาที่เราสดแสดงออกมาต่อพระรัตนใจนั้นบางครั้งบางคราวก็มีลักษณะที่ออกจังก้อนแง่นคลอนแคลนไม่ก็จะมั่นคงอะไรทั้งสิ้นควรได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าบางเรื่องก็เชื่อศรัทธาก็มั่นคงไม่หวั่นไป บางเรื่องก็เกิดความสับสนในด้านความคิดมีความเครือแ่ลงสงสัยอยู่ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่า น, นี่ก็แสดงเห็นว่าความสงสัยก็เกิดขึ้นที่พระพุทธเจา้าอาจจะเกิดที่พระประวัติของพระพุทธเจา้าอาจจะเกิดที่พระคุณของพระพุทธเจา้าอา จ, จี่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงของเหตุการณ์ในประชนมชีตของพระพุทธเจา้า ซึ่งแต่ละอย่างจะเป็นความสงสัยในจุดใจกันต่ตางต้นแล้วแต่เป็นอุปสรรคในการทำจิตใจของตนให้สะอาดโดยมีความสว่างด้วยปัญญาปรากฏเกิดขึ้นภายในใจตำนองบุคคลที่ยังมีร่างกายสกรปรกก็ไม่พร้อมที่จะไปตกแต่งประดับประดาคเครื่องประดับอันมีค่าฉชนั้นบางอย่างใจอาจจะยอมจำนวน ตอพระพุตธเจ้าอาจจยอมจำนนด้วยความกลัวหรือความไม่สามารถที่จะพูดเป็นอย่างอื่นได้แต่เนื่องจากจิตใจยังมีความกระด้างโยูอาจจะวิ่งมาปฏิปธรรมเพื่อจะยอมจำนนในคุณของพระธรรมปรสติปัญญาไม่พอที่จะวินิจฉัยก็อาจจะวิ่งมาเกาะพระสงฆ์ พระสงฆ์ที่เป็นพระยเจ้าวถึงท่านปฏิบัติเป็นสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรอาจจะไม่มีปัญหาไหนท่านเท่านั้นแต่จากการมองคนในปัจจุบันคือผู้ที่ปวดปานในปัจจุบันอาจารย์ใสใครคนใดคนหนึ่งเป็นสมมติฐานในการหาความเข้าใจในพระสงฆ์เราอื่นท่านเหล่านั้นก็กลายเป็นตัวแปรที่ออกมาทางด้านบวกก็ได้ด้านลบก็ได้ หมายความว่าถ้า่นรูปนั้นประพฤติปฏิบัติดีถูกต้องโดยหลักธรรมะก็จะเป็นการเพิ่มพูนความศรัท ธ, ธาเรื่มสายให้เกิดขึ้นในคุณพ ร, รัตนาใจโดยเฉพาะสังกรัรตนาสูงขึ้นจิตใจของบุคคลก็จะมีความเครือบแคลงสงสัยในพระรัตนาใจน้อยลงแต่ถ้าหากว่าไปเจอกับพระบูรุชนที่มีปัญหาในด้านความประพฤติปฏิบัต แม้พระรีเจ้าเองก็จะถูกมองด้วยความวกระแพียงสงสัยว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้มีอยู่จริงหรือหรือว่าไม่มีหรือว่าไม่มีแล้วคืออาจจะไม่มีแล้วเมื่อก่อนอาจจะมีเป็นต้นตอนนี้จะพบว่าบางครั้งบางคราวคําถามก็เกิดขึ้นภายใ น, ในใจของเราว่าพระยาบุคคลในปัจจุบันนี้ยังมีอยู่หรือไม่ หรอาจจะไปเชื่อว่าพระญาบุคคลระดับระดับหนึ่งมีแล้วก็จะเกิดความเครือข่ายสงสัยว่าพระสเกตคาามีอยู่หรือไม่พระนาคามีอยู่หรือไม่พระอาหารหันมีอยู่หรือไม่แล้วถ้าไปได้ยินได้ฟังในลนักษณะที่เรียกว่าปัจจุบันนี้เนื่องจากาศาสนาได้ผ่านการเวลามานานแล้วพระญาบุคคลไม่มีเป็นต้นก็เกิดสงสัยเครือรข่ายแค่มาแต่ถ้ามีโยนิโสมนสิการโดยเหตุโดยผลไปเทียบเคียงกันหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงเอาไว้ โดยเฉพาที่ทรงแสดงไว้ก่อนจะเสด็จดับขันทัปนิพพานเป็นใจความโดยสรุปที่ทรงแสดงแก่ท่านสุภัททะว่าตามใดที่อริยมรรคไม่องแปดประการยังมีอยู่คือ ย, ยังมีสมาธิิวัญญาณเน้นชอบความดำริชอบปัจาชอบการ ง, งานชอบลิง้งจิบชอบความพยายามทางที่ชอบตาระดึกชอบตั้งใจปันชอบทั้งแประการนี้ยังมีอยู่การศึกษาในอริยมรรคไม่องแปดประการยังมีอยู่ การปฏิบัติชอบตามอรมิมักมิอคแปประการยังมีอยู่ทราบนั้นโลกจะไม่ว่างจากสมณะที่1 2ึ่สาสคือจะไม่ว่างจากพระญาบุคคลทั้ง4ี่ชั้นดันั้นในชั้นของพระพุทธเจนาะจริงๆจึงไม่ได้บอกเอาไว้ว่าปรารันจะหมดไปเมื่อเท่านั้นปีพระนาคาจะหมดไปเมื่อเท่านั้นปีปสัสกีตาคาจะหมดไปเมื่อเท่านั้นปีพระอาหันจะหมดไปเมื่อเท่านั้นปีเป็นต้น พระพุทธเจ้าส่งเน้นที่การปฏิบัติคำพูดในลักษณะ น, นั้นเป็นคำพูดในตอนหลังคือพูดกันไปนมากก็มานั่งคิดนั่งเขียนกันที่หลังการนั่นเองเป็นความคิดที่เขียนหลังพุทธเปรีพานมาตั้งพันปีเพราะในกรณีนี้ถ้าบุคคลมีโยนิโสภณัิการพิจารณาโดยเหตุโดยผลโดยปัญแยกคายโดยที่เพียงเห็นว่าท่านแต่ก่อนนั้นท่านก็ไม่ได้วิเศษอะไรนะักหนา แต่ก็เป็นคนธรรมดาสามัญ น, นั่นเองแต่บางคนพื้นฐานทางความรู้ทางสังคมทางสึกุาทางฐานะอาชีพเป็นต้นก็ต่ำกว่าคนในปัจจุบันแต่ก็ได้ใช้ความเพียรพยายามศึกษาพระพฤทิปฏิบัติไปจนได้รับผลในทางพระพุทธศาสนาได้็ทําทำไมเราซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกับท่าน มีปรสบการณ์มีเรื่อราวต่งตางๆที่ได้ศึกษาค้นคว้ามามากกว่าจึงจะทําอย่างที่ท่านทําไม่ได้จึงจะบรรลุอย่างที่ท่านบรรลุไม่ได้จึงจะเป็นอย่างที่ท่านเป็นไม่ได้และในที่สุดถ้าคิดได้เช่นนี้ความมั่นคงความหนักแน่นภายใ น, ในใจก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปเพิ่มปริมาณของความศรัทธาในพระพุทธเจ้าประธรรมประสง์ตลอดทั้งในตรีศีาให้สูงขึ้น นี่ก็เป็นหลักของโดนิโซมานสิการคือการใช้ปัญญาพินิจปัณญาโดยระบบเงื่อนไขในสิ่งเหล่านั้นแม้ในเรื่องการเป็นอดีตแต่ก็บุคคลมองในแนวของเหตุปัจจัยหรือมองในแนวของวงจรหรือเรียกว่าวัตจักของสิ่งนั้นนั้นแต่การตั้งปัญหาสอบถาม คนเราเกิดมาหรือไม่หรือไม่เคยเกิดมาถ้าเกิดมาก็ เ, เกิดเป็นอะไรแล้วก็มีชีวิตอยู่เป็นอย่างไรจากชาตินั้นเกิดเป็นอะไรเป็นต้นแต่ถ้าเรามองกลับมาที่วงจรของธรรมชาติอย่างที่ว่ามาในตอนตอน้นฝนมาจากเมฆเมฆก็มาจากละอองน้ําละอองน้ําก็มาจากแม่น้ำลำคลองต่างต่างแม่น้ําลำคลองก็มาจากฝนก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้ เ, เราเจะไปมองเบื้องตอน้นว่าเริ่มจากตรงไหน ลรวก็พูดกันยากแลแต่ใครจะพูดใครๆก็ไก่ก็ไข่ใครจะพูดว่าเกิดก่อนเกิดหลังปัตาแต่ว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยตราบใดที่เหตุปัจจัยในสิ่งนั้นนั้นยังมีอยู่ความมีความเป็นในสิ่งนั้นๆก็คงจะมีอยู่ร่ำไปแต่เป็นการมีอยู่ในลักษณะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งก็ขึ้นสู่วงจรใหม่ แล้วก็เดินบนครบวงจรก็มานับหนึ่งกันใหม่อีกทีเนี่นก็หมุนวนก็นอยู่อย่างนี้ทํานองฝนตกโดยนาติธิกาวแล้วความเครียอแต่งสงสัยในอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีก็จะไม่เกิดขึ้นยิ่นในกฎของปัจจัยาการซึ่งเป็นกฎที่ครอบโลกหมายความว่าสรรพสิ่งในโลกนี้แม้แต่ตัวโลกเองก็อยู่ในวงจรที่จะเป็นวัตตะของตัวเองวัตจักรของตัวเองก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้จาบใดที่เหตุปัจจัยของการหมุนวนยังมีอยู่ ตราบนั้นความมีอยู่ของสิ่งเหล่านั้นก็มีความปรากฏของสิ่งเหล่านั้นก็มีแต่ตราบใดใครไปตัดวงจร อ, ออกไปเสียตนนัวมันเดียวก็ว่าน้ําในแม่น้ําสายหนึ่งแหกแห้งขาดไปไอ้น้ําจากแม่น้ําสายนั้นก็ไม่มีเมฆจากแม่น้ําสายนั้นก็ไม่มีแต่ฝนก็อาจจะตกลงมาได้ตรงนั้นก็เป็นเรื่องของก้อนเมฆที่จะเลื่อนลอยไปตรงตรงไหนก็ตก ต, ต, ตรงนั้นแต่ว่าในแง่ของชีวิตแล้วถ้าตัด ก้นเหตุอะไรเสียได้ตัดกิเลสเสียได้ตัดกรรมเสียได้วงจรของชีวิตก็จบแต่การพูดถึงชีวิตในโลกหน้าก็เลิกพูดกันแต่ถ้าเหตุปัจจัยของสังสารวัฏยังมีอยู่วัตถจักรของชีวิตก็ต้องมีอยู่นี่ก็เป็นเรื่องที่อาศัยเพียงแต่โยในโสมานสิกานหรือการพิณิพิจนาเท่านั้นก็จะได้หลักในการตัดสินปัญหาตัดสินเรื่องราวตัดสินอารมณ์ ตัดสินสภาพจิตของตนในแต่ละขณะแล้วก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงไปตามเหมาะตามควรได้ตามกำลังความสามารถแห่งตนต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสื่อต่อไป